เรื่องราชาไมดัสกับพรวิเศษนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับราชาไมดสัสเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีอาณาจักรแสนงดงามที่อยู่ในความดูแลของราชานามว่าไมดสัสเล่าขานกันว่าพระองค์มากมีด้วยทองคำที่สามารถก้อนซื้อเมืองทั้งเมืองได้พระองค์รักทองคำยิ่งกว่าอะไรแต่ไม่เคยมีผู้ใดเคยเห็นทองของพระองค์ต่างพากันสงสัยว่า ทองมากมายขนาดนั้นเก็บต้อนไว้ได้อย่างไรกันเธอคิดว่าราชาเก็บทองคำไว้ที่ไหนกันคิดไม่ออกเลยมีทองตั้งมากมายแต่ว่ามายักษจะเอาอะไรออกมาให้เห็นความจริงก็คือราชาไบาดัตต้องเก็บทองของพระองค์ไว้ที่คุกใต้ดินพระองค์จะเด็ดไปที่นั่นทุกวันเพื่อนับจำนวนทองทั้งหมดราชินีทรงหัวเราะ และหยอกล้ออยู่เสมอที่รักอย่าส่งนับทุกวันเลยเพี่คะมันไม่หายไปไหนหรอกอย่ามาพูดตลกนะรู้หรือไม่ว่าทองนั้นมีค่าแค่ไหนดูสร้อยทองที่เจ้าสวมอยู่สิสวยใช่ไหมละ่ะแวววับเออใช่สวยเพคะถึงแม้มันจะมีค่าแค่ไหน ก็ไม่สามารถซื้อความสุขได้หรอกเพคะมันซื้อความสุขให้ข้าได้เจ้าไม่เข้าใจหรอกอะไรจะสวยงดงามได้ไปกว่าสิ่งนี้แล้วราชินีทรงไม่เห็นด้วยแต่พระองค์ทราบดีว่าไม่สามารถตอล้อตอเถียงพระสวามีได้ความรักทองคำของราชาเพิ่มพูนขึ้นทุกวันพระองค์ทรงรักมากถึงกับตั้งพระนามให้บุทธิดาว่า แมริโก้แมริโกเป็นที่รักของพระบิดาพระองค์มีชีวิตชีวาและมองโลกสดใสมักจะเรียกหาพระบิดาอยู่เสมอท่านพ่อมาเดินนี่สิดอกไม้สวยจังเลยวันนี้ก็ดีดีดูหยดน้ำสะท้อนกับแสงแดดสิเพคะก็ยังไม่เจอเจ้ารัฐ ท, ท้องหรอกนะเจ้ายังไม่เข้าใจไปเล่นของเจ้าเถอะไป เช่นเดียวกับมารดาของพระองค์แมริโกไม่เคยเข้าใจว่าเหตุนใดทองถึงสวยงามกว่าดอกมไม้เมื่อเวลาผ่านไปราชาไมด้าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคุกใต้ดินเพียงลำพังเฝ้านับทองคำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่กี่วันให้หลังทหารได้นำตัวชายแปลกหน้ามายังปราสาทเพื่อเข้าพบราชาชายผู้นั้นแต่งตัวธรรมดา ราชาต้งสังเกตว่าเขาไม่ได้สวมรองเท้าเลยชายผู้นี้เป็นใครฟาบาัตกระหม่อมพบเขาเดิ น, นอนเดเนื่ตามถนนบอกว่าหลงทางและไม่มีที่พักพิงพะยะค่ะอืมเขาน่าจะมาจากดินแดนไกลโพ้นหลงทางเลยจัดที่พักให้เขาซะหากซื้อหาบ้านของเขาไม่ได้เขาก็เป็นแขกของเราหลายวันผ่านไป ราชาพบว่าชายผู้นี้คือไซเลนัสแต่ไม่ทราบว่าไซเลนัสเป็นสหายของเทพแห่งป่า<บ>ได้มีการจัดเตรียมที่พักให้กับไซเลนัส<บ>เขาได้รับการดูแลอย่างดี<บ>ต้องการอะไรก็ได้ดังใจหวังในไม่กี่สัปดาห์พวกเขาพบที่อยู่ของบ้านของเขาถึงเวลาที่ไซเลนัสต้องกลับบ้านไม่คืนต่อมา ราชาได้ไปนั่งอยู่ในห้องใต้ดินของเขาที่กำลังนับทองของเขาและท่านใด น, นั้นอะไรนี่โอ้พระเจ้าเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ข้าเป็นเทพแห่งป่าเขาไม่นอนท่านรู้ชื่อข้าได้อย่างไรท่านมาที่นี่เพื่อชิงทองของข้าอย่างนั้นเหรอเ อ, ออเออ จะเอาท้องไปทําอะไรมันไม่มีค่าสําหรับข้าหรอกข้ามาเพื่อขอบใจเจ้าขอบใจข้าเหรอเพื่ออะไรไตเลน่ตคือสหายรักของข้าข้าเห็นว่าเจ้าดูแลเขาดีขนาดไหนข้าถึงน้ําใจของเจ้ามาข้ามาที่นี่เพื่อมอกพอรวิเศษให้กับเจ้าบอกเลยว่าเจ้าอยากได้อะไรไมดัตแทบไม่เชื่อหูตัวเอง พระองค์ขอสิ่งใดก็ได้พระองค์ทราบดีถึงสิ่งที่ต้องการข้าต้องการหรือบรรทุกทองเต็มลำไม่สิบ้านที่เต็มไปด้วยทองไม่นั่นยังไม่พอเดี๋ยวนะข้ารู้แล้วว่าอะไรทำให้ข้ามีความปลกข้าขอมือวิเศษไม่ว่าจะสัมผัสอะไรก็กลายเป็นทองข้าจะทำตามคาขอของเจ้าทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า สิ่ง <Valerie> ที่เจ้าสองพันจะกลา้เป็นทองแท้แต่จำเอาไว้ฟาามันไม่ทําให้ท่านสุขใจแน่ทองไม่สามารถซื้อความตกทุกอย่างได้คนอย่างท่านจะไม่รู้ถึงค่าของทองได้อย่างไรตอนนี้ข้าเป็นผู้ที่ร่ํารวยและมีความตกที่สุดในปัตภีคืนนั้นไม่รัดนอนไม่หลับ พระองค์ทรงรอคอยให้ถึงตอนเชา้าและเช้าก็มาถึงไม่ดั๊ดตื่นเต้นที่จะลองมือวิเศษของเขาจะสบายแค่ไหนเชียวที่ได้นอนเตียงทองคำใครกันช่างมิวาสนาดีเสียจริงไม่ดั๊ดเริ่มสัมผัสทุกสิ่งที่พบเจอ ข้าไตปต้งแอบตอดทองของข้าอีกแล้วออกไปทําให้ประสาทเจอจรัด ก, กันดีกว่าไม่ดัดเดินไปตามทางเดินจับต้องทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไปยังสวนสัมผัสต้นไม้และพืชต่างๆให้เป็นทองโอ้ข้าเหนื่อยเสียแล้วล่ะยังมีอีกหลายสิ่งในอนณาจักรที่ข้าต้องเปลี่ยนให้เป็นทอง ข้าต้องจัดขบวนแห่ให้ประชาชนได้เห็นมือวิเศษของข้าและตอนนี้ข้ารู้สึกขิวเหลือเกินของข้าได้ทานอะไรที่หน่อยเถอะที่โต๊ะมีทั้งผลไม้ปลาเนื้อและของอร่อยมากมายจัดเตรียมไว้ให้กับราชาโอ้เยอะไปหมดเลยน่าอร่อยเสียจริงโอ้อะไรเนี่ยไม่นะน้ำอยู่ไหน ข้าหิวน้ำโอ้นี่มันอะไรกันนี่ตอนนี้ไม่ได้าตกใจและหวาดกลัวมากพระองค์ค่อยๆสัมผัสทุกอย่างบนโตะ๊ะและมองดูอย่างหวาดกลัวเมื่อทุกอย่างกลายเป็นทองแล้วข้าจะกินอะไรละ่ะเทนี้ข้าหิวน้ำข้าจะดื่มน้ำอะไรข้าดื่มหรือกินท้องไม่ได้ราชาที่ร่ำรวยที่สุดจะต้องตายอดตายอยากอย่างนั้นเหรอ พระราชาทรงเศร้าสลดพระองค์นั่งมองอาหารที่ไม่สามารถทานได้ทันใดนั้นบุตรธิดาของพระองค์วิ่งมาจากสวนท่านพอ่อก็เที่ยวราชาไมดัสจะทันไตรกองไม่นะ้เมร่โก แมรี่โกกลายเป็นรูปปั้นทองคำอัน ง, งดงามสวยงามแต่ไร้ชีวิตนางไม่หายใจไม่ขยับขยืน่นราชาไม่ดั้พูดไม่ออกบุธิดาสุดที่รักไม่อยู่กับเขาอีกต่อไปแล้วออไม่นะ oh, ข้าทำอะไรลงไปแมรี่โกนี่จะทำให้ข้ามีความสุขได้อย่างไร เมริโกลูกรักแสนเกอจรันพูดสักคำเธอพูดเอน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาพระองค์ต้องวิ่งไปยังคุกใตดิ น, นเรียกขอความช่วยเหลือโอรชาชอไมนอดเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าดูเศร้านะักผ่อนวิเศษของเจ้าเพิ่งจะผ่านไปไม่มกี่ชั่วโมงเองเจ้าต้องการอะไรอีกเห่อพระเจ้าข้าขออภัยท่านด้วย พรที่ท่านว่ามันพรากลูกสาวของข้าไปแล้วจะให้ข้าทําอะไรกับอาหารที่กลายเป็นท้องข้ากินไม่ได้จะให้ข้าทําอะไรกับน้ําที่กลายเป็นท้องข้าดื่มไม่ได้พรที่แท้จริงคือลูกสาวข้าแต่ตอนนี้นางพูดไม่ได้จะให้ข้าทําอะไรกับท้องทั้งหมดนี้ถ้าไม่ได้เห็นอรอยยิ้มของลูกข้าอีกได้โปรดเถอะ เอาทองทั้งหมดของข้าไปซเอาทุกอย่างไปเลยแต่ขอแบริโ ก, กของข้ากลับมาข้าเข้าใจแล้วทองไม่สามารถซื้อความตกได้ทั้งหมดโอ้ราชาไมดัสเจ้าได้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิตแล้วทองจะค่อยๆลดหายไปแต่ว่าความรักและสเสน่หาที่ย่รอร่ากายเหล่านั้นไม่มีวันตายไม่มีวันหายไป รับนี่ไยหม้อใบนี้มีน้ำอมฤตอยู่ยดมันลงไปบนสิ่งที่หลายเป็นทองและน้าจะคลายบนจากที่เจ้าได้สามผัสขอบคุณมากขอบคุณมากท่านเทพราชาวิ่งไปหาบุ ธ, ธิดายดน้ำอมฤตลงไป <S <S แมรี่โกหายใจแล้ว <S <S พระราชาทรงกอดบุ ธ, ธิดาเอาไว้ในอ้อมแขนท่านพ่อ อะไรขึ้นคะไม่มีอะไรลูกพ่อกําลังจัดการทุกอย่างให้เข้าที่ไม่ดัดจัดการหยดน้ําลงไปบนทุกอย่างที่กลายเป็นทองทรงเบื่อหลายอย่างกับความเ จ, เจริญรั่ที่พระองค์เคยครอบพรอ ง, องและเข้าไปในสวนกับบุตรทิดาหยดน้ําลงที่ต้นไม้พืชพันธุ์และดอกไม้ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พระองค์ทรงเห็นความสวยงามของธรรมชาติแมริโกดูสิดอกไม้ช่างสวยงามจริงๆเป็นวันที่สวยงามดูหยดน้ำที่สะท้อนแสงแดด น, นี่สิ <c oughs> ใช่ค่ะท่านพ่อหลังจากแปรสภาพทุกสิ่งให้เป็นดักเดิมราชาไมดัสและบุตริดาและภริยาที่โตอาหารทานทุกสิ่งที่มีอยู่พระองค์ไม่เคยได้ลิ้มรสอาหาร อร่อยเช่นนี้มาก่อนทรงดับกระหายด้วยน้ําในแก้วพร้อมกับบุตธิดาและภริยาที่มองดูพระองค์อย่างสนุกสนานราชาไมดัตไม่เคยลงไปนับทองที่คุกใต้ดินอีกใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบกายและทรงเป็นผู้ที่ร่ํารวยและมีความสุขที่สุดในปัตถพี